จเจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านพบกับรายการธรรมะสู่สันติอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้อาตมาภาพได้นําเสนอธรรมะสู่ท่านสาธุชนเป็นประจำก่อนที่สาธุชนจะได้รับฟังธรรมะจากทางรายการอาตมาขอยกเอาคติพจน์ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรห ร, หรือหลวงพ่อวัดปากน้ํา ที่ท่านประผ่านไว้ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่มาสู่ท่านสาธุชนว่าเกิดมาว่าจะมาหาแก้วพบแล้วไม่กรรมจะเกิดมาทำไมสิ่งที่อยากก็หลอกสิ่งที่ยอกเขาก็ลวงทําให้จิตเป็นห่วงเป็นใยเลิกอยากลาหยอกรีบออกจากกราม เดินตามขันสามเรื่อยไปเสร็จกิจิต16ไม่ตกกันดานเรียกว่านิพพานก็ได้สำหรับวันนี้รายการธรรมส่สันติก็จะได้นำการตอบปัญหาธรรมของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยยะมังคโลเรื่องธรรมกายคืออะไรและพระอรหันต้องผ่านหรือเป็นธรรมกายหรือไม่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 จะได้นำไปสู่หนทางแห่งการปฏิบัติตามพระสัตรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบต่อไปจึงขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมาตั้งใจรับฟังพร้อมๆกันเจริญพรสาธุชนทุกท่านเมื่อครั้งที่แล้วอัตมาภาพได้แสดงธรรมบรรยาย ต่อปัญหาข้อที่ว่าธรรมกายคืออะไรไปแล้วซึ่งหากจะสรุปณบัตนี้อีกครั้งหนึ่งธรรมกายก็หมายถึงธาตุล้วนทำล้วนมีชีวิต จ, จิตใจเป็นกายและใจที่บริสุทธิ์ที่สุดที่ อยู่เหนือความปรุงแต่งทั้งผลบุญและผลบาปเป็นกายในกายที่สุดละเอียดอยู่ในจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งของมนุษย์เราน่ะมีอยู่ด้วยกันทุกคนถ้าหากขั้นผู้ใดทำกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์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 ธรรมกายก็จะอุบัติขึ้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เป็นภาษาพระบาลีว่าธรรมภูตะความอุบัติขึ้นนี้มิใช่ความเกิดเกิดพบเกิดชาติโดยมีอวิชามูลรากฝ่ายเกิดเป็นเหตุเป็นปจัจจัยแปลว่าไม่มีความเกิดเช่นว่านั้นในเบื้องตน้น จึงไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแปรผันไปตามเหตุตามปัใจจัยในถ้มกลางและไม่ต้องเสื่อมสลายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นธรรมกายจึงไม่ต้องตกอยู่ในอานัตแห่งพระไตรลักษณ์คือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือสามัญลักษณะจึงชื่อว่าพรห ม, มกายแปลว่ากายอันประเสริฐและความอุบัติขึ้น ของกายอันประเสริฐจึงชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าพรหมภูตันี่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า, าได้ทรงแสดงไว้มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงเล่มที่11หน้า75ถึง76ซึ่งใน บาลีพระพุทธภาสิตก็มีอยู่ในพระสุตันตปิฎกทีคณิกายปาติกวัตอักขันยสุนันเองทีนี้ความเข้าถึงธรรมกายว่าเข้าถึงอย่างไรกล่าวโดยย่อก็เข้าถึงโดยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็จะถึงวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะของกายในกายในแต่ละกายที่ซ้อนอยู่ณภายในของเราเองจากสุดหยาบคือกายมนุษย์ไปจนสุดละเอียด ถึงกายอารูประพรมพ้นจากความปรุงแต่งของกายอาลูกประพรมแล้วก็จะถึงธรรมกายและการเข้าถึงธรรมกายนั้นเพียงแต่เข้าถึงเฉยๆแต่คุณสมบัติยังไม่สามารถที่จะละกิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกอย่างน้อย3ามประการคือสกายาทิพถิวิจิกิจฉาสีรัตตปรามาตได้ ก็ยังจัดเป็นแต่โคตรภูบุคคลซึ่งยังมีโอกาสที่จะปฏิบัติดำเนินต่อไปให้ถึงมรรคผลนิพพานได้หรือมีโอกาสตกต่ำกลับมาเป็นปุถุชนธรรมดาผู้หนาด้วยกิเลสได้เช่นกันแต่ถ้าพิจารณาสภาวะธรรมให้เกิดปัญญารู้แจ้งในพระอริยสัจทั้งสี่มีทุกสัจจะสมุทยัยสัจจะนิโรธสัจจะและมรรคสัจจะสามารถประหารกิเลส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 ซึ่งเป็นอาญาตนาที่ละเอียดเสมอกับอาญตนานิพานอันเป็นที่ประทับของพระนิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันต์ขีนาศพทั้งหลายที่เข้าอนุปาริเสสนิพานคือกายเนื้อแตกทาลายแล้วธรรมกายที่บรรลุอรหัตผลของขั้นที่สุดละเอียดจะไปปรากฏในอาญาตนานิพาน สงบตลอดกันหมดที่กล่าวทั้งหมดนี้มิใช่กล่าวเองแต่มีอยู่ในพระไตรปิฎกในนิพานสูตรที่สามขึ้นต้นว่าอัธิพิคเวตทายตินังแล้วก็มีความต่อเนื่องกันไปแสดงถึงลักษณะของอาญาตะนิพานเป็นเชิงนยยะเมื่อผู้ปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายที่สุดละเอียด ก็สามารถที่จะเข้าไปรู้ไปเห็นสภาวะของอาญาตนะวิถานได้ครับอันนี้หมายถึงทั้งในเอกสารอ้างอิงและจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติของผู้ปฏิบัติครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้ตรงกันตรงกันหมดครับแต่ถ้าเพียงแต่อ่านเนื้อความเฉยๆมักจะไม่เข้าใจนะคุณโยมครับมักจะไม่เข้าใจแต่พอเข้าถึงรู้เห็นและเป็นผู้ที่เข้าถึงรู้เห็นและเป็นจะเข้าใจคําเหล่านี้ได้โดยชัดแจ้งครับทีนี้ เมื่อกี้มาถามว่าพระอาหารหันต้องผ่านธรรมกายหรือไม่พระอาหารหันต้องผ่านหรือเป็นธรรมกายหรือไม่ครับก็ดังที่ได้เจริญพรไว้แล้วนั้น่นนันแล้วและยังมีเอกสารอื่นๆอีกมากที่แสดงว่าพระอาหารหันต์และสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างเป็นธรรมกายด้วยกันทั้งสิ้นครับมาดูเอกสาร ในพระไตรปิฎกสักสองสามอย่างบางทีก็จะพอแน่ใจได้ว่าพระอาหารหันต์ต้องเป็นธรรมกายหรือเปล่าตัวอย่างแรกซึ่งอาตมาจะนำมาชี้ให้เห็นก็คือเอกสารที่ปรากฏอยู่ในประถมสมโพธิกาถามารพันธปริปรวัติ ปริเชตที่28สิบปดพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระประมานุชิตชิโนโรดเป็นคำแปลแล้วก็เรียบเรียงพูดอย่างง่ายๆถ้าภาษาธรรมดาเป็นคำแปลประถมสมโพธิกระถาจากพระไตรกิดกแล้วก็เรียบเรียงเป็นภาษาที่ดีมีความว่าในสมัยที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ จ, จ้ากำลัง ที่จะบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ได้ถูกพยามาณชื่อว่าพยาวัตสวดีมานพระชนพระองค์จนพระองค์ต้องอาศัยบารมีอุปบารมีปรมัต a บารมีทั้ง10ทัศน์นั้นเอาชนะพยามาณได้และได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่ใต้พวงไม้สีมหาโพในคืนวันเข็ญเดือนห ดังที่ทราบกันอยู่ทั่วๆไปแล้วทีนี้ต่อมาภายหลังในสมัยพระเจ้าโศกธรรมมาธิราชก็ร่วมร่วมร้อยปีครับในสมัยนั้นพระเจ้าโศกธรรมมาธิราชได้ทราบซึ้งในพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณก็ได้พยายามสร้างสถูป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 บำเพ็ญบารมีเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าทีนี้เรียกว่าก่อนจะจากกันว่าอย่างนั้นเถอด <Okay. S 1> พระอุปคุตนี่ไม่เคยได้เห็นพระวรากายเนื้อ <Okay. S 1> ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <Okay. S 1> และพระอรหรันต์ขี่นาศึเคยเห็นแต่พระธรรมกายนี่ <Okay. S 1> จึงได้ขอให้พญามาณซึ่งเคยพบ เคยพยนกับพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลขอให้ท่านได้เ น, นรมิตกายให้เหมือนเลยกายเนื้อของพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอรหรันต์ขีณาศพและพระสาวกให้เห็นโดยที่มีคำกล่าวของพระอุปคุตว่าอันหนึ่งท่านจะได้อนุเคราะห์แก่อาตมาด้วยสมเด็จ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 แต่ก็ใครจะนำมาอ่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เห็นเป็นการรวบยอดมีอยู่ในพระสุตันตปิฎกขุทธกานิกายสอรพังคะเถระคาถาข้อ365รพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงพุทธากาัาร2514เล่มที่26หน้า334อันนี้ความนี้ชัดเจนว่าเมื่อก่อนเราพูดชื่อว่าสารพังคะไม่เคยได้เห็นโรคคืออุปทานขันหครบบริบูรณ์ทั้งสิ้น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 เป็นทางไม่เป็นไปแห่งทุกข์อันไม่มีที่สุดในสงสารเพราะกายนี้แตกและเพราะความสิ้นชีวิตนี้ความเกิดในพบใหม่อย่างอื่นมิได้มีเราเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากสัพเพกิเลสทั้งปวง <Okay. S 1> คือได้เห็นแล้วก็แปล ว, ว่าท่านได้เห็นได้เป็นแล้ว <Okay. S 1> ว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรท่านได้รู้เห็นอย่างนั้น <Okay. S 1> พระพุทธเจ้าทั้งหลายในถอยหลังในอดีตไปมีเท่าไหร่เป็นธรรมกายทั้งสิ้น <Okay. S 1> ท่านสระพังคะมหาเถระนี้ ก็ได้รู้ได้เห็นได้เป็นแล้วก็เป็นธรรมกายเหมือนกันยังมีอีกมีหลักฐานอีกมากมายว่าพระอรหันต์ขีนาศก็ดีพระอรหรันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ปัจเจกพุทธเจ้าก็ดีล้วนแต่เป็นธรรมกายทั้นสิ้นพยยิณโยครับฉะนั้นจากเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่หลวงพ่อท่านยกมาก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าพระอรหันต์นั้นจะต้องผ่านหรือเป็นธรรมกายแน่นอนต้องเป็นแน่นอนครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วทําไมการปฏิบัติธรรม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 ว่าธรรมกายของพร ะ, พร ะ, พระองค์ท่านอันสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ า, าทรงให้เกิดทรงให้เกิดคือพระแม่นานี่อายุมากกว่าและพระพุทธเจ้าจะทรงให้เกิดได้อย่างไรแต่ทรงทาให้เกิดหรืออุบัติเกิดในนี้หมายถึงอุบัติไม่ใช่เกิดพบเกิดชาติเพราะอาวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจยัยแต่ธรรมกายอุบัติขึ้นเรียกว่าธรรมภูตะหรือพรมภูตะนั่นแหละ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 ขึ้นมานะครับอันนี้อยากจะกลับเรียนถามหลวงพ่อว่าอันนี้เป็นจริงหรือไม่อย่างไรครับอ๋อเจริญพรออันนี้เป็นคำถามที่ดีและก็เป็นพฤติกรรมที่ถ้าคนไม่เข้าใจจะเขวไปมากจำไว้อยู่ข้อหนึ่งธรรมะปฏิบัติของพระพุทธองค์นั้นผู้ใดปฏิบัติตรงตามพระสัจธรรม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 ไม่ค่อยจะดีครับความจริงนะ่ให้ไปสืบถามดูให้ดีเถอะแทบทังสิ้นมีอาการมาก่อนปฏิบัติธรรมทีนี้เมื่อมาปฏิบัติธรรมแล้วได้พบได้เห็นอะไรบ้างเข้าไปก็ยิ่งฟูใจฟุ้งซ่านหลงลืมตัว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 แทนที่จะสงบไม่สงบกลับฟุ้งซ่านหนักติอย่างนี้เชื่อเดิมมีอยู่มาประกอบกับการปฏิบัติผิดวิธีอย่างนี้มีทางเป็นได้แต่ถ้าปฏิบัติถูกวิธีมีแต่จะดีขึ้ น, นเพราะอะไรเพราะธรรมะปฏิบัติเบื้องต้น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 และวิธีปฏิบัตินั้นมัชิมาปฏิปดาพอดีหรือไม่ใช่ไหม<ช>ครับมีอีกนิดหนึ่งขอแถมหน่อยอีกสิ่งหนึ่งคืออาจจะมีวิบากกรรมเก่าของเขาอ๋อครับอันนี้เช่นคนบางคนเนี่ยเคยด่าเคยว่าคนเป็นอาจินครับก็ไปติเตียนไปด่าไปว่าพระอริยเจ้าหรือผู้มีจิตใจบริสุทธิ์เขา้าสิ่งนี้จะส่งผลให้มาเป็นวิบาหรือรให้ผลกรรม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 สำหรับเรื่งวิบากกรรมนี้จะแก้อย่างไงครับคือหรือทํำยังไงถึงจะปฏิบัติได้ตรงสายก็พยายามทําดีที่สุดให้ถูกต้องที่สุดในศีลในสมาธิในปัญญาในวิมุติวิมุติญาทัศนะเดินสายกลางอย่าหย่อนนักอย่าตึงนักก็ช่วยได้โยมคำแนะนําที่ถูกต้องเป็นเรื่องสําคัญทีนี้แม้คําแนะนําถูกต้องแล้วสิทธิ์จะต้องทําให้ถูกต้องตามคําแนะนํานั้นด้วยบางทีครูแนะนำคนตั้งร้อตั้งพันตั้งห0 0่นตั้งแสน เป็นประจําทุกวันทุกเป็นปีอย่างนี้มันก็ต้องเจอประเภทที่ออกนอกลู่นอ ก, ก, นอกทางไปจนเป็นอย่างนั้นจนได้เพราะว่า ค, ค, คนจํานวนมากคนมีวิบากกรรมก็ดีคนที่มีเชื่อมา ก, ก่อนก็ดีคนที่ไม่ปฏิบัติตามครูก็ดีก็มีโอกาสเป็นได้ค่ะสาธุชนก็ได้รับฟังการตอบปัญหาธรรมของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยช ย, ยักมังคลโลเรื่อง รธรรมกายคืออะไรและพระอรหันต้องผ่านหรือเป็นธรรมกายหรือไม่ซึ่งก็หลวงพ่อไดออ้ตอบปัญหาเผยแผ่ออกทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9อสมทอัอตมาจึงนำมาเผยแผ่ให้สาธุชนได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะ เ, เป็นธรรมบรรณาการให้แก่ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟัง สารธรรมจากรายการธรรมะสู่สันติอยู่ในขณะนี้สําหรับในคลาต่อไปอาตมา ก, ก็จะได้ทยอยนําธรรมะของหลวงพ่อออกมาให้สาธุชนได้เรียนรู้และทําความเข้าใจกันเกี่ยวกับวิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าที่ประเดชพระคุณหลวงพวัดปากน้ําได้ปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและก็เป็นและก็นํามาถ่ายทอดสั่งสอนให้แก่สิทธญานุสิ์ได้สืบทอด สืบต่อกันมาเจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันและพระเดศพระคุณหลวงพ่อท่านยังเคยได้ปรารภไว้ว่าต่อไปทั่วประเทศไทยจะปฏิบัติแบบวิชาธรรมกายเพราะวัดปากน้ําภาษีเจริญกรุงเทพนั้นได้หลักแล้วหลวงพ่อท่านพยากรไว้อย่างนั้นและตอนนี้วิชาธรรมกายก็กำลังเจริญรุ่งเรืองอยู่ ให้สาทุชนได้ศึกษาและปฏิบัติกันสำหรับวันนี้รายการของธรรมสู่สันติก็หมดลงแล้วขอเชิญท่านสาธุชนโปรดติดตามสารธรรมจากทางรายการได้ในครั้งต่อไปขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในพระสัตธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเทอญเจริญพร